ศึกษาบทวิพังก็680คําว่าก่อใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก่อใดคําว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้ที่ชื่อว่าก่อคดีวิพากษ์พระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงผู้ก่อคดีที่ชื่อว่าข้าบุตรีได้แก่ชายผู้ครองเรือนคนใดคนหนึ่ง ที่ชื่อว่าบุตรข้าบอดีได้แก่บุตรและพี่น้องชายคนใดคนหนึ่งที่ชื่อว่าทาาได้แก่ทาาในเรือนเบีย้ยทา่าด้ำเงินทาาเฉเลยที่ชื่อว่ากรรมกรได้แก่คนรับจ้างชั่วคราวคนงานประจําที่ชื่อว่าส ม, มณะปริพาชกได้แก่นักบวชคนใดคนหนึ่งอยู่ในรัติปริพาชกยกเว้นภิกษุภิกษุณีสิกขาโ ม, าามนาสมณีและสมณีรีภิกษุณีสแสวงหาเพื่อนหรือเดินไปด้วยตั้งใจว่าจะก่อคดี ต้องอบัตรทุกกฎบอกเรื่องของคนหนึ่งแก่ตุลาการต้องอบัตรทุกกฎบอกเรื่องของคนที่สองต้องอบัตรธุรใจเมื่อสารตัดสินจแล้วต้องอบัตรสังขารทิเศตคําว่าปฐมมาปฏิกาคือต้องอบัตรพร้อมการล่วงละเมิดโดยวัตถุไม่ต้องส่วนสมรภาทคําว่านิสรณียะได้แก่ทําให้ถูกขับออกจากหมูมคาว่าสังคาธิเศตความว่า สำหรับอาบัต้นั้นสงเท่านั้นให้มานัดชักเข้าหาอาบัตเดิมเรียกเข้าหมู่ภิกษุณีหลายรูปก็ทําไม่ได้ภิกษุณีรูปเดียวก็ทําไม่ได้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสังคาธิเศตคําว่าสังคาทิเศตนี้เป็นการขนานนามเป็นคําเรียกหมวดอาบัตนั้นนั่นเองด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสังคาทิเศต